หลังจากที่เปิดออมีชาวต่างประเทศเข้ามาในทางภาค พ, พื้นเอเชียข้าวไทยก็เป็นข้าวไทยรดเลิศมีคุณภาพดีที่สุดในโลกก็มีการซื้อขายผ่านระบบพระคลังสินค้าถูกลำเลียงจากอายุธยาลงสู่ปลายคาบสมุทรมาลายาไปขึ้นที่ฝั่งเมืองมะละกาซึ่งขณะนั้นเป็นเมืองขึ้นของฮอลันดาอยู่ ในสมัยต่อมาในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถไทยได้ส่งคับสยามไปตีเมืองมะละกาที่เมืองท่าแห่งนี้พ่อค้าคนกลางจะรับช่วงขายเข้าไทยให้กับพ่อค้าชาติอื่นๆที่จะส่งไปขายต่อที่อันานักมของตนแล้วก็นำไปเป็นสเสบียงในเรือใหญ่ในขณะที่ต้องจอดรอ ลมมรสุมเปลี่ยนทิศทางการซื้อขายวิธีนี้ยังคงทำกันมาอีกหลายสิบปีก่อนที่จะยกเลิกไปแล้วก็พ่อค้าหลายสัญชาติต่างก็ล่องเรือเข้ามาในพระนครศรีอยุธยาขอซื้อข้าวกันกับพระคังโดยตรงไม่ซื้อผ่านเมืองมรกาอีกต่อไปตั้งได้ขอพระราชทานที่ดินริมฝั่งแม่น้ำตอนล่างเพื่อตั้งห้างและกดังคลังสินค้า ไว้รอท่าเรือของชาติตนที่จะเข้ามาก่อนหน้าบารสุมบริเวณนี้จึงกลายเป็นย่านการค้าแล้วก็เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชาวตะวันตกระเบียบแบบแผนการจัดที่ทำมาหากินให้พ่อค้าชาวตะวันตกนี้ก็ได้ถือปฏิบัติสืบต่อมาในสมัยกรุงทนบุรีและก็กรุงรัตนโกสินได้โปรดเก้าให้พ่อค้าชาวเรือมาจอดพักที่ พักเรือที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแถวโบสสันตคูตด้านใต้ของพระราชวังเดิมที่ริมฝั่งเจ้าพระยาฝั่งกรุงเทพก็โปรดเกล้าให้ใช้ที่ดินแถบท่าน้ำหน้าโรงแรมอรอรเรนเ็นในปัจจุบันนี้การย้ายท่าเทียบเรือไปอยู่ของเตยในสมัยหลังก็คงเป็นเรื่องของความคักข้างและเทคโนโลยีที่มีตามมา การค้าในระบบพักหังของกรุงศรีอยุธยาก้าวหน้าขึ้นด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างภายในตัวพระนครเองประกอบกับความเป็นเมืองที่มีระเบียบวัฒนธรรมที่ดีมากเจ้าโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษฝรั่งเศสก็หลั่งไหลเข้ามาเพื่อซื้อขายและเปลี่ยนสินค้านอกจากข้าวแล้วก็ชาวยุโรปยังก็ต้องการไม้สักไม้หอม หนังสัตว์ของป่าพริกไทยและเครื่องเทศอื่นๆแล้วกล็ลังนกก็เป็นสินค้าที่พ่อค้าชาวจีนนิยมฝ่ายไทยเองก็ต้องการอาวุธแล้วก็กระสุนดินมปืนทองสำริดและวิทยาการลบด้วยเหตุที่การค้าระหว่างประเทศขยายตัวมากขึ้นมากขึ้นพระมหากษัตริย์ในแต่ละพระ อ, องค์ก็ทรงเห็นถึงความจาเป็นที่จะต้องย่นย่อระยะทางการขนส่งจากเมืองหลวงทะเลไปสู่ทะเล โดยการขุดคลองลัดแม่น้ำเจ้าพระยามีทางเดินที่คดเคี้ยวมากอยู่เป็นระยะระย ะ, ระยะตลอดเส้นทางก็ตั้งแต่ปากอ่าวไทยมาจนถึงพระนคร น, นี้บางโครงก็ต้องเสียเวลาอ้อมกันเป็นวันๆตั้งแต่พศ2881ไปถึง2265นี้กรุงศรีอยุธยาก็มีการขุดคลองลัดคลองเชื่อมถึง6จุดด้วยกัน ครองรัฐเส้นที่สองที่เริ่มขุดก็เราปีพศ2085ก็ได้กลายเป็นเส้นทางที่มีความหมายที่ลึกซึ้งต่อความเป็นชนชาติไทยในอีก200กว่าปีต่อมาปีพศ2085สมเด็จพระชัยราชาธิราชก็โปรดเก้าให้ขุดคลองรัดนะจุดที่แคบที่สุดของส่วนโค้งอ้อมของแม่น้ำเจ้าพระยา ก็คือทางปากคลองบางกาะน้อยถึงปากคลองบางกาะใหญ่ซึ่งเป็นเส้นทางเดิมของแม่น้ำที่มีลักษณะโค้งเป็นลูกแอกงัวของวัวยาวประมาณ14กิโลเมตรให้ไหลให้ลำน้ำนี่ไ ห, หลผ่านเส้นทางขุดใหม่ที่ทำให้ย่นระยะทางลงเหลือ2กิโลใช้เวลาขุดนานกว่า10ปีทีเดียว ตั้งแต่นั้นมาแม่น้ำเจ้าพยาก็มีเส้นทางหลายตรงผ่านทางคลองขุดใหม่ซึ่งขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตามแรงดันของกระแสน้ำที่สุดก็กลายเป็นแม่น้ำเจ้าพยาสายใหม่ช่วงตั้งแต่วัดอรุณราชวรารามถึงหน้าสถานีรถไฟบางกอกน้อยแล้วก็ในรัชสมัยต่อมาสมเด็จ พระมหาจากาักรพรรดิก็โปรดก้าให้ยกที่ดินฝั่งตรงฝั่งทางตะวันตกของลำน้ำสายใหม่นี้ตั้งขึ้นมาเป็นเมืองหน้าด่านพระราชทานนามว่าทนบุรีสีมหาสมุทรในรัชสมัยส ม, สมเด็จพระชัยราชาที่ลาดกรุงศรีอยุธยาติดต่อการค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ได้ผลดียิ่งขึ้น ไทยกับพม่าก็เผชิญหน้ากันเป็นครั้งแรกในราชกาลนี้อันเป็นการเริ่มต้นของการทําศึกสงครามรบระหว่างไทยรบกับพมา่ายึดเยื้อกันไปอีกกว่าสามร้อยปีสิเดียวสู้รบตอ่อเนื่องกันมาสามราชธานีก็คือกรุงศรีอยุธยากรุงธมรีและกรุงรัตนมามาถึงสามราชธานีก็หมายถึงตั้งแต่กรุงศรีอยุธยามาถึงกรุงธมรีแล้วก็กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ก็เริ่มตั้งแต่พศอ277อในสมัยกรุงศรีอยุธยาปิดต่อกันมาสี่ราัชากาลก็ได้แต่ในรัชาสมัยราัชากาลสมเด็จพระชัยราชาธิราชสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิสมเด็จพระมหินทราธิราชและสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชมหาธรรมราชาไทยต้องรบกับพม่ายอย่างเยียดเย้ากันก่อนที่จะเสียกรุงครั้งแรก ในช่วงต้นพระมาะ่ายังยึดพระคนครไม่ได้ต้องถอยทัพกลับไปเมื่อพระเจ้าบุเรงนองกษัตริ์พระม่าผู้ส่งผู้มีนามว่าผู้ชนะสิบทิดขึ้นของราศก็ส่งยกทัพใหญ่มาทำสงครามหมายตีกรุงให้ให้จงได้แล้วก็ไทยก็เสียกรุงเป็นขั้งแรกในปีพศ .2112 ก็ตกเป็นประเทศราศพระม่าก็ได้ ให้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเจ้าซึ่งตอน เ, ออเป็นพระริดาโอรสอยู่ อ, อ, องค์ใหญ่ของพระมหาษัย์สยามสมัยนั้นขณะนั้นก็มีพร ะ, พระชันษาพเพียงสิบสามขวบก็ไปเป็ น, เ, ปนเอาไปเลี้ยงเป็นพระราชบุตรบุญธรรมหรือก็หมายเอาเป็นตัวประกันที่กรุงหงสาวดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นั้นพระองค์นั้นทรงเป็นหลานยายของสมเด็จพระศรีสุริโยทัยวีรสตรีที่มีวิรกรรม เ, เพื่อบ้านเมืองซึ่งพวกเราก็ได้ดูหนังกันมาในเรื่องสมเด็จพระสุริโยทัย